ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกเป็นกิจที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเป็นกิจที่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันหลังจากที่ท่านได้บรรลุผลอันประเสริฐที่เกิดจากการ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 ภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญที่ได้ทำให้พระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะสมณะโคธมะโคดมส ม, มณะโคดมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ธรมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็นำเอาภารกิจทั้งสี่ประการนี้มาเผยแพ่แสั่งสอน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 นี่คือความยึยดติดอยู่ในขันห้าว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอเกิดความยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกเพราะอะไรอันนี้ก็นำมาสู่ภารกิจข้อที่สองภารภารกิจข้อที่สองทรงตัดว่าสมุทัยต้องละ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 ต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวาาโมสัมมาสัมมาอาชิวสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าย่อส่วนลงมาคือรวมเป็นกลุ่มก็จะได้สามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือศีลศีนก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิว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 ที่มีอยู่ภายในใจได้แต่เวลาที่ทรงสอนข่าววาสญาิโยมผู้ครองเรือนผู้ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่ก็ต้องสอนให้ทำทานก่อนให้สละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก่อนแล้วถึงค่อยมาเจริญมรรคแปดต่อคือมาเจริญสิ่งสมาธิและปัญญา สมาธิและปัญญาก็ทรงใช้อีกชื่อหนึ่งสมาธิก็ทรงเรียกว่าสามถะภาวนาปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาค า, า, ารวะจึงสอนท่านจึงสอนค า, า, ารวาดให้เจริญทานศีลภาวนาทานก็คือใ ห, ให้ละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่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 เวลาที่จะมาบำเพ็ญกิจในอริยสัจ ส, สี่ก็จะไม่พอเพียงก็จะไม่สามารถที่จะทำกิจในอริยสัจ ส, สี่ให้สมบูรณ์ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้จึงต้องไม่มีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็คือต้องอยู่แบบนักบวช นักบวช น, นี้ไม่มีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องนักบวช น, นี้หาหากินหารลีประทานด้วยการบินทบาต ท, ที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามเกิดอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเว้ห่างไกลจากแสงสีเสียงเสื้อผ้าก็หาไปตามมีตามเกิด สมัยพระพุทธกาลพระก็หาเศษผ้าที่ทิ้งตามกองขยะหรือในปา่าช้าแล้วก็รวบรวมมาตัดเย็บให้เป็นผ้าหม่มผ้าจีวรผ้านุ่งผ้าหม่มนี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ของนักบวชแล้วก็ไม่จะมี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 สมรถะสมรถะและวิปัสสนาภาวนาจำเป็นจะต้องรักษาสินแปดขึ้นไปสินแปดสิสิบสินสองร้อยี่สบเจ็ดหรือศินสามร้อยกว่าที่ในอดีตมีพระภิกษุมีต้องรักษาสินสองรอยยี่สิบยีเจ็ดก็ของพระภิกษุศินสิบก็ของสั ม, มนเณรสินแปก็ของอุบาสกอุบาสิกา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 พอปล่อยแล้วก็จะไม่ทุกข์กับขันห้าต่อไปแล้วก็จะไม่ไปหาขันห้าชุดใหม่ต่อไปหลังจากที่ขันห้าชุดนี้หมดสภาพไปแล้วก็ถือว่าจบนี่คือเรียกว่าวุติตังบ ร, รมจรียงจบกิจในอริยสัจสี่ถ้าได้เจริญมรรคได้อย่างสมบูรณ์แล้วมรรคก็จะทำหน้าที่อย่างนี้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 ตางตรงที่ว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครสอนต้องศึกษาด้วยตนเองต้องค้นคว้าคาหาวิธีดับความทุกข์และปฏิบัติดับความทุกข์ด้วยตนเองท่านจึงมีชื่อว่าพระอรหันตระสั ม, มาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์แต่เป็นพระอรหันต์ที่ดับทุกข์ด้วยตนเองด้วยการศึกษา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 เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงอุทิศเวลาที่เหลือทั้งหมดของชีวิตของพระองค์ให้แก่การอบรมสั่งสอนกิจในอริยสัจสี่ให้แก่สัตว์โลกเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติแล้วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นพวกเรา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 จะมีพระอรหันต์ อ, อ, าาอยู่คู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆถ้าหากมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสุ ป, ปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายาปฏิปันโ น, ยาย น, โนสามีจิต ป, ปฏิปันโนอยู่ตามนั้นจะมีการบรรลุมรรคสีผลสีนิพพาน อ, นอย่างแน่นอนเหตุกัผลอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่การเวลาไม่ได้อยู่ที่คาพูดของคนนั้นของคนนี้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 คือการบรรลุผลบรรลุมากคสีผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องมีทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติถ้าปฏิบัติอย่างเดียวโดยปราศจากปริยัติก็อาจจะไม่เกิดผลขึ้นมาได้เพราะอาจจะปฏิบัติไม่ถูกทางนั่นเองปฏิบัติผิดก็จะไม่เกิดผลเหมือนคนที่จะมารักษาไข้ของคนอื่นถ้าไม่ได้เปิดศึกษา ว, ว, วิชาร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 ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะถ า, าวารีวาหาปุราปารีปุเรนติสักลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุ ป, ปกาปฏิอิที่ตังปฏิตังตุมหังคิด ป, ปะเมวะสมิจจตุสับเหปุเรนตุสังกบา จันทโทปนะระโสยทามณิจดิอระโสยทาสพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวตะวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสิฤิธานิจังวุฒาปจายิโน จตารธรรมวัทานติอายุวโนสุขังภาลังตอนนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาร่างกาสงสัยอยากจะทราบอะไรทำที่แสดงไปแล้วยังไม่ชัดแจ้งชัดเจน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 เพราทําอยู่เป็นประจำจนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินคนบางคนก็คิดว่าร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของตันหาไป <Yeah. S 1> ก็เลย <Yeah. S 1> อาจจะถูกหลอกได้ว่าพิจารณาแล้ววัดบรรลุขันนู้นขันนี้แล้วได้เพราะไม่มีตันหาแล้วฉ <Yeah. S 1> ั้นก็ขอใเราระมัดระวังไม่งั้นเราจะถูกหลอกแล้วเราจะไม่ปฏิบัติ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 ก็จะวิเวกคาวิเวกก็คำว่าวิเวกก็แปลว่าสงบสงัดเราต้องให้ส่วนของกายคือส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับกายนี้สงบซะก่อนเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่จะเข้ามาผ่านทางทวารทั้งห้าให้ให้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่ไม่ยั่วยวนกวนใจ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 ให้ชำระให้สะอาดให้ดูเรียบร้อยก็พอแล้วเช่นอาบน้ำแล้วก็หวีผ้าหวีผมก็พอไม่ต้องแต่งหน้าทาปากไม่ต้องใส่น้ำหอมน้าอบอะไรต่างๆถ้าจะว่าผิดก็ควรจะผิดข้อที่เจ็ดแต่นี่เขาคงจะหมายถึงว่าหลอกลวงเนาะคือผมสีขาวแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านว่าเป็นผมสีดาก็อาจจะมีส่วน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 พอในอดีตมีคนบ่นว่ามีแต่คำตอบฟับงคำถามไม่ได้ยินเปิดไมด้นะครับเปิดไมด้ขอโอกาสค่ะ ม, มีคำถามนี่มานานแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะถามยังไงอเผอิญท่านอธิบายบางสิ่งบางอย่างเลยได้คำสับมาเพื่อจะถามระหว่างอุเบกขาใน ในสมถะในอปปนาสมาธิกับสังขารุเบกขายานในวิปัสสยญาณที่เคยได้ยินมาเป็นอย่างคล้ายๆกันยังไงหรือว่าแตกต่างกันยังไงคะอันนี้ก็เพื่อได้ยินครั้งแรกในวันนี้ลองเอาไปค้นไปถามอาจารย์กูเกิลดูว่าแล้วกันก็คือคือ <c oughs> <c oughs>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 และเห็นทุกข์ของสิ่งที่ได้มาไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขตรงนั้นเอาความคิดเอาตัวไปพิจารณาเข้ามาใช้ได้ในทางปัญญาเช่นอยากจะไปดื่มกาแฟไปแล้วยังไม่ได้ดื่มมันก็จะหงุดหงิดนำคาญใจพอได้ดื่มแล้วมันก็หายหงุดหงิดแต่มันหายเพียงชั่วคราวเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งพอเล็กาแฟหมด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 ถ้าเห็นโทษขอมันก็ถาวรถ้าไม่เห็นโทษเิงแต่ยับยั้งไม่ให้มันคิดก็เป็นแค่ชั่วคราวคุาถามได้นะไม่ต้องเกรงใจจะได้มีเรื่องพูดให้ฟังไม่ถามก็บางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรการถามนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราโง่กับคนอื่นนะ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 เพราะมันก็ปรุงแต่งเหมือนกันเวลาพูดก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งแล้วค่อยพูดเวลาตอบโดยการเขียนมันก็ใช้ความคิดปรุงแต่งเหมือนกันท่านเข้าใจผิดท่านไม่ไม่รู้ท่านคิดว่าการไม่พูดนี้จะทำให้ใจสงบไม่คิดปรุงแต่งมีอะไรจะถามหรื อ, อเอาไมาใ้ให้คุณพูดยอมหน่อย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 แล้วก็ชาตินี้เป็นชาติเดียวเท่านั้นที่เราจะได้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างสดสดร้อนร้อนเพราะเรามีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองแล้วว่าภายในเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี้จะสามารถทําลายมาร ท, ทั้งหมดที่มีอยู่ในใจของเราได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าต่อให้เรามีมารติดตัวมามากน้อยเพียงลยก็ดูองคุลิมานเป็นตัวอย่าง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 มีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์เป็นอนัตตาคือห้ามเขาไม่ได้เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นอนิจจังถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเขาก็ต้องอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะละวาง อ, าอุปทานในขันห้าได้อันนี้ขั้นมีขั้นมีตอนไปพอละอุปทานในขันห้าได้ในในเรื่องเกี่ยวกับ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 ให้แก่ใจของเราได้อีกเข้าใจไหมย<ะ>อยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าเกิดกับที่เป็นถ้าเป็นมารจริงๆควรจะมีพระอาจารย์คอยแนะนําทางให้ใช่ไหยคะที่พูดถึงมานี่มารข้างนอกหรือมารข้างในเราพูดถึงมารข้างในครอถ้ามารข้างนอกก็ต้องอย่างที่บอกเนี่ยต้องทําใจวางเฉยเขาไม่ชอบเราก็ดีแล้วเขายังไม่ได่าเรา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 ส่วนที่ไม่ดีที่มีอยู่ในภายในใจของคนเราอ่าวถามต่อกาบนมัสการใช่ไหม ะ, ะเวลาปฏิบัติภาวนาก็จะตั้งลมตั้งแต่ภาวนานะคะอานาปานาสติแล้วก็สังเกตลมกํากับด้วยพุทโธคะ่ะก็ทําไปทําไปก็จะรู้สึกลมเบาเบาเ า, าไปเรื่อย <c oughs> ๆก็พอมากําหนดดู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 ลมหายไปแล้วก็ปล่อยมันหายไปให้อยู่กับความว่างไปให้รู้เฉยๆไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะวุบลงไปเองแต่อย่าไปคาดนะถ้าไปคาดมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาแนะ้วให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้วก็รู้อยู่กับความไม่มีลมอยู่กับความว่างไปขออนุญาตครับพอครับหรือผมก็พรนะพุทธโธครับ ทีนี้เวลานั่งภาวนาจริงๆเห็นให้ถ้าว่าพอดีผมผมก็เปิดเทปของหลวงตาฟังนะครับอาจจะสักกันหนึ่งหรือสองกันถ้าเป็นกันหนึ่งไม่เกินชั่วโมงนีงก้ก็ ก, ก็ก็ไม่มีอะไรสงบดีแต่ถ้าสมมติเกินชั่วโมงไปแล้วเวทนาเริ่มเกิดที่เคยใช้ก็คือดูดูดูผู้รู้ทีนี้ดูผู้รู้มันก็สงบเป็นช่งชวงๆความความปวดก็จะจะสงบไปพัก แล้วก็จะมาแรงขึ้นแรงขึ้นทีนี้วิธีที่จะเพง่งรูรู้อย่างเดียวหรือจะเอาที่ตัวเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยอันไหนจะแยบภ่ายกว่าครับมันก็มีอุบายสองสองวิธีด้วยกันคือถ้าเราอยู่กับผู้รู้ไปใจก็จะไม่คิดปรุงแต่งไม่คิดถึงเรื่องของเวทนาถ้าไม่เกิดความอยากให้เวทนาหายไป